ก็อย่างว่าเนี่ยนะอ ย, อย่างสมมุติถ้าเรามองเห็นแสงสว่างเราคำนวณได้ไหมว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ให้ความสว่างเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรียนดาราศาสตร์อาจจะตอบได้แต่คูดคุยกันแบบเหตุผลธรรมดานเนี่ยนะใครจะไปคํานวณได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านะนะั้นอ่ะเป็นบุคคลที่ควรเคารพควรสักการะควรกราบไหว้ผลของาอการบูชาสถานที่ทั้งสองนั้นเป็นอย่างไรจะบอกว่า บุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยังทรงพระชนอยู่ใครใครไม่อาจนับได้ก็พอฟังขึ้นบางคนนะเขาสงสัยขึ้นว่าเอเนี่ยนะถ้าหากว่าบูชาพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยบุญนับไม่ได้เอออันนี้ฟังขึ้นนะแต่ว่าบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นน่ะผู้ปรินิพานไปแล้ว ไม่เหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแลว้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นต้นเลยที่จะกราบจะไหว้เนี่ยทำไมบุญเนี่ยไม่ต่างกันมันน่าจะต่างกันบ้างสมมุติอะคิดงา่ายๆไหว้พระพุทธเจ้าของเร า, า, รเากับไหว้พระพุทธเจ้ากับสปะองค์กรหรือว่าพระพุทธเจ้าโกนาคามนะพระพุทธเจ้ากะปุสันถะถอยหลังไปเวสภูสิกขีไหว้ไปหาพระพุทธเจ้ า, าวิปัสสีพระพุทธเจ้าปุสสะติดสะ หรือว่าประทุมุตระไหลไปถึงอโนมาทศีถอยหลังไปจนถึงพระพุทธเจ้านั่นแหล ะ, ะทีปังกรเป็นต้นไหวพระพุทธเจ้าองค์ไหนบุญก็ไม่ต่างกันถามว่าทำไมบุญไม่ต่างกันก็บอกว่ากล่าวไว้แล้วว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นยังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานไปแล้วก็ดีถ้ามีจิตเสมอกันผลแห่งการบูชาก็เท่ากัน บอกว่าตัวบุญเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าบุญมันอยู่ที่คุณภาพจิตของเราที่บูชาพระพุทธเจ้าถ้าคุณภาพจิตของเราเนี่ยศรัธธ II, ธทธามากปัญญา ม, มากรอบรู้พระพุทธคุณมากเท่าใดบุญก็มากเท่านั้นบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเรามองเห็นอะไรชัดตอนกลางวันเนี่ยชัดไม่ชัดไ ม, Ahmad, ไม่ได้อยู่ที่ดวงอาทิตย์อยู่ที่ว่าตาเราดีหรือเปล่าถ้าตาดีเนี่ยนะเมื่อวานกับวันนี้ไหนวันไหนชัดกับกัน โดยที่ดวงอาทิตย์ปราศจากเมฆหมอกเนี่ยนะเมื่อวานกับวันนี้ไหนชัดกับการบอกวันไหนตาไม่แดงตาไม่เสียตาไม่อะไรวันนั้นมองชัดก็แล้วกันก็ ค, คือว่ามันจะต่างอะไรกันนะอย่างเขาเห็นดวงสมมติว่ามองเห็นแสงสว่างเมื่อวานกับเห็นแสงสว่างวันนี้ถ้าตาเหมือนกันแสงสว่างเหมือนกันเนี่ยการมองจะต่างกันไหมบอกไม่ต่างฉันใดการบูชาพระพุทธ เ, เจ้าก็ฉั น, นั้นวิปกรรมที่ทําไม่ต่างวิบากก็ไม่ต่าง เพราะอะไรเพราะวัตถุที่ตั้งแห่งการบูชานั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันมันบูชาตอนมีพระชนอยู่หรือตอนดับขันปริณิพานไปแล้วก็ไม่ต่างกันเพราะเขาจะบูชาเมื่ อ, อไร่ที่ไหนอย่างไรไม่ได้ไปแปลว่าเอาเมื่อพระองค์ดีใจนะบุญจึงจะได้มากพระองค์ไม่รับแล้วไม่ได้บุญบอกไม่เกี่ยวกับเลยไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะเมื่อใดถึงพระองค์ตอนมีพระชนอยู่หรือดับขันทัปริณิพานไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอววรใน วัตถุอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะก็บอกว่าหลังจากที่แสดงธรรมบอกว่าใครๆไม่สามารถนับผลบุญที่เกิดจากการบูชาคำว่าบูชาหมายถึงบูชาด้วยวัตถุเป็นเครื่องบูชาเช่นดอกไม้ของหอมเป็นต้นประเทศอินเดียเนี่ยยังทุกวันนี้เขาก็ยังนับถือเทวสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะทุกแห่งจะเป็นอะไรนะดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรืองร้อยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะวางขายข้างทาง ให้บ้านเราอะนะแต่ว่าบ้านของเขาโดยมากดอกเหลืองไม่วิจิตดอกมะลิอะไรแบบบ้านเราหรอกเขาก็ไปไหว้ตามพวงมาลัยรถบ้างตามศาลพระภูมิตามเจ้าที่ตามอะไรเขาก็ยังไหว้เพราะนั้นถ้าหากว่าไปไหว้ผู้ที่ควรไหว้เช่นไหว้พระพุทธเจ้า น, นะบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่าบูชาพระองค์เนี่ยนะบูชาด้วยวัตถุเป็นเครื่องบูชาหรือบูชาด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วย ใจเนี่ยนะการบูชาด้วยกายวาจาใจเนี่ยบูชาด้วยการรักษาศีลบูชาด้วยการปฏิบัติในสมถะและวิปัสนาบูชาในการรอบรู้สิ่งที่พระองค์แนะนำให้รอบรู้บูชาในกะละเพื่อละสิ่งที่พระองค์แนะนำให้ละบูชาในสิ่งที่ควรทำให้แจ้งที่พระองค์แนะนำให้แจ้งบูชาในการเจริญอริยมรรคผลแห่งการบูชาเหล่านั้นใครเล่านาจะรับะจะนับวิบาก ผลแห่งการบูชาเหล่านั้นได้เพมันใครๆไม่สามารถนับผลแห่งการบูชาเพราะว่าผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าที่สุดอย่างลงสู่อมตะนิพพานผลแห่งการบูชาเนี่ยนะถ้าบูชาในระดับสูงสุดด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ชื่อว่าเป็นบูชาที่สูงสุดยอดนะบูชาด้วยการปฏิบตัตินั้นผู้ที่บูชาด้วยการปฏิบัติก็สามารถทําที่สุดแห่งทุก์ได้หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะ พราหมณ์ที่บูชาเทวสถานตรงนั้นแต่เป็นเป็นที่ตั้งเคยประดิษฐานเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสปะพอฟังจบเขาก็บรุเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วส่วนเจดีย์ทองที่พระองค์เนรมิตขึ้นเนี่ยนะบอกว่ารออยู่ในอากาศให้หมู่มหาชนได้เห็นประมาณเจวันเนะสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อันตรฐานไปเจดีย์ น, น, น, JD นั้นก็กลับไปสู่ที่เดิมด้วยพุทธานุภาพ เขบอกว่าพระเจดีย์เนี่ยเป็นศิลาใหญ่ได้มีแล้วณที่นั้นนั่นแหละเนี่ยนะเขบอกว่าส่วนเรื่องใหญ่เรื่องราวที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะโดยมากก็ตรัสรู้เขบอกว่าประมาณ 84%, ดหมพันเนี่ยนะที่เห็นอริยสัจบอกว่าคือที่เขาบอกว่าเข้าบรรลุเนี่ยพูดเรื่องพระพุทธเจ้าทําไมเข้าบรรลุเพราะเขาเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณเข้าใจพุทธประสงค์ว่าพระองค์สอนอะไรแล้วเข้าปรารถนาอะไรกันอย่าลืมว่าชนเหล่านั้นสมัยนั้นเขารู้นะว่า เป้าหมายของชีวิตเขาต้องการอะไรเ น, นี่ยนะเขามองบอกว่าอย่างที่ว่าการสแสวงหาโภกทระซย์ของเขาก็เพื่อใช้ใจ่ายเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้แล้วเขารู้ว่าประโยชน์โลกหน้ามันคืออะไรประโยชน์คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงวิธีที่จะออกจากวัตจักรทได้อย่างไรทําให้แจ้งสิ่งใดแล้วจึงออกจากวัตจัโดยมากเขาเขาสังสมอัธยาสายเหล่านี้มาเขาพอมีความรู้มีความเข้าใจนั้นพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเขาก็ ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าและพระองค์นั้นเป็นผู้สอนทำตามอัธยาศัยของเขาอย่าลืมนเมื่อวานได้บอกไปแล้วว่าไม่ได้ตามอัธยาศัยขี้กโกรธก็สอนให้กโกรธยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่อัธยาศัยแบบนี้หรือว่ามักโลภแล้วก็สอนให้โลภยิ่งยิ่งขึ้นไปโง่อยู่แล้วก็ให้โง่เพิ่มอันนันขี้ง่วงอย่แล้วก็สอนให้หลับไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่หมายความว่าถ้าเขาเหล่านั้น มีอโลภัทยาสายพระองค์ก็ส่งเสริมถ้าอัทยาสายเป็นอะโทสัตย์ทายาสายมุ่งกําจัดโทสะพระองค์ก็ส่งเสริมอะโมหัตยาสายอัธยาสายมุ่งกําจัดโมหะพระองค์ก็ส่งเสริมวิเวกทยาสายเนคขมัตทายาสายจนถึงที่สุดนิสรณนัทยาสายหรืออัทยาสายฝักใฝ่ายในเรื่องปัญญาเป็นต้นพระองค์ก็สนับสนุนส่งเสริมอุปนิสัยเหล่านั้นจนเขาสามารถที่จะ ตรัสสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เรียก ว, ว่าส่งเสริมอัธยาศัยที่ดีแก้ไขอัธยาศัยที่เลวเนี่ยน ะ, ะ, ะนนสําหรับแต่ถ้าหากว่าเคยได้ยินนะแปลคําว่าอารหังอรหังแปลว่าห่างจากคนอัธยาศัยเลวนะถึงจะยืนอยู่ใกล้พระองค์จับชายจีวรตอนตเดินตามพระองค์ก็ชื่อว่าไกลาจากพระองค์เพราะเขาอัธยาศัยเลวส่วนคนที่มีอัธยาศัยดีถึงจะห่างเป็นพันกิโลก็บอกว่าอยู่ใกล้พระองค์ เหตุผลก็เพราะว่าเขามีอัธยาศัยดีเนี่ยนะเขาเป็นผู้มีศีลเป็นต้นส่วนรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเพื่อเป็นเรื่องอเครื่องประดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัชสปะเพิ่มเติมตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์โชติปาระมานพคนนี้เนี่ยนะจะได้เข้าใจรายละเอียดเพิ่มอีกอเล็กน้อยเนี่ยนะในพระสุตตันตปิฎก ราชวัชกติการสูตรแมชิมนิกายมมชิมะปัญนาศพระนนกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกกันนะจาริกแปลว่าจาริกไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์เดินทางจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ชนบทสมัยก่อนเนี่ยนะเามีอะไระเมืองสาวัตถีอยู่ในโกศลชนบท เมืองพารณสีอยู่ในเรียกว่าว่าอะไรนะกาสีชนบทแควนกาสีเรือว่าแควนกาสีเควนโกศนอันนั้นเรียกวควนโกศนแคว้นมลละอะไรเรียกกันกันเควนเควนแควนสมัยนี้ก็คือเป็นประเภทอะไรเป็นหลายๆจังหวัดนะหลายๆจังหวัดหรือเป็นจังหวัดจังหวัดที่อกเคว้นอะไร สมัยใหม่เขาใช้แวนคว้นแดนอีสานนะครับแล้วว่าแควันอีสานขนเนื อ, อ น, นะบางแห่งสมัยใหม่ก็จะขนเหนือหนใต้ขนออกหนตกก็ใช้คําว่าหนก็ได้นะก็แต่ น, นี้ใช้แว่นควันครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะออกนอกทาง น, นะเสร็จแล้วก็ทรงพร ะ, ะทรงแย้มแย้มพระโอษฐ์ก็คือยิ้มอ่ะนะณนะประเทศสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็มีความคิดขึ้นว่า เพราะเหตุอะไรเนาะเพราะปัจจัยอะไรเนอที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแย้มพระโอสถคือคือการยิ้มเนี่ยนะถ้าบอกว่าการหัวเราะการยิ้มคนธรรมดาหัวเราะยิ้มยังไงหัวเราะดังคิ ก, กคักคิกคักอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเป็นผ้าอารหันต์ทั้งหลายนี่ยิ้มพอเห็นลายฟันแต่ถ้าของพระพู้ศทธเจ้าแค่พเพย์ปากนิดเดียวแล้วพระราศีจะพุ่งแสงลำแสงนี่จะออกจากพระโอษฐ์เนี่ยนะแล้วก็เวียนประทักเสียงรอบพระเสียงสาครั้งแล้วหายไปอันนั้นอนะ่ะเป็นเหตุให้พระ น, นรู้ว่าต่อเ น, นี้ยพระองค์ยิ้มอยู่วางง่า้น เสร็จแล้วท่านพระนรนก็ทำผ้าอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งปนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเนอปัจจัยอะไรเนอที่เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐพระธถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระโอษฐโดยหาเหตุไม่ได้ไม่มีคือพระพุทธเจ้าจะยิ้มโดยไม่มีเหตุไม่มี ยิ้มหนึ่งที่แปลว่ามีความหมายนะนะพระอนุนก็เข้าใจต้องยิ้มให้คนเขารู้ความนะเขาจะได้ถามถูกยิ้มให้คนผิดไม่เข้าใจถามก็ไปัใหญ่เนี่ยนะกนะ็ต้องยิ้มก็ต้องยิ้มให้ถูกที่ถูกบุคคลเหมือนกันเสร็จแล้วพระนนท่านก็เก่งอนะ่ะคือพระอนุนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่อิ่มในคําสอนไม่อิ่มในการฟังยากจะฟังอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่ว่าจะต้องหาเหตุให้สมควรทํำยังไงจึงจะได้ฟังพระพุทธเจ้ายิ้มก็ได้เหตุถามจะได้ฟังอนะไรเงี้ย พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุนเรื่องเคยมีมาแล้วสถานที่ประเทศแห่งนี้เนี่ยนะมีนิคมชื่อว่าเวภลิคะ เ, เป็นนิคมที่มั่งคัง่งเราเป็นบ้านหรือเป็นตําบลที่ร่มรวยมากนิคมก็คือตําบลหรืออำเภอที่ร่ารวยมากมีคนมากมีมนุษย์หนาแ น, น่น สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่เพลิกะนิคมอยู่ดูก่อนอนุนได้ยินว่าที่นี้เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่ที่พระองค์ประทับเนี่ยเป็นเบาเป็นที่นั่งที่เดียวกันที่พระพุทธเจ้ากัสสปะนั่ง พระองค์ก็มาประทับนั่งบอกที่ตรงนี้นะเป็นวัดเก่าว่างั้นเป็นวัดสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี้นะที่ที่เดียวกันที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งนั่นแหละเสร็จแล้วพระนรนก็ปูผ้าสังคาเตศรชั้นถวายนะก็คือตอนที่พระองค์ตรัสเนี่ยพระองค์ยืนอยู่ใช่ไหม ท่านนั้นก็ปูสังฆติก็คือผ้าสังฆติปูเป็นสี่ชั้นแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิประเทศสถานที่นี้จะได้เป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์บริโภคนะพระพุทธเจ้าสององค์ประทับนั่งที่เดียวกันเหมืนกันนะ เพราะอะไรเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้มากระลึกถึงมากราบมาไหว้มาบูชาเนี่ยนะว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระอนุนปูถวายแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอนลว่าดูก่อนอนุนเรื่องเคยมีมาแล้วประเทศที่นี้มีนิคมหมูบ่ตบตําบลหรืออําเภอเนี่ยนะชื่อว่าเวพรลิขะเป็นนิคมที่มั่งคั่งเจริญมากมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นดูก่อนอ น, อนุนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่เวพลิขานิคม ได้ยินว่าณสถานที่ตรงนี้เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้และในเวพาลิขานิคมเนี่ยนะมีช่างหม้อชอวัคติกะระเป็นหมู่บ้านช่างหม้เอเนี่ยนะเป็นเอ่อเรามีช่างหม้ออยู่คนหนึ่ง ก็เป็นช่างหมอ้อคติการะช่างหม้อผู้นี้เป็นอุปถากคนที่คอยบำรุงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปถากผู้เลิศผู้เลิศที่บอกว่ า, วาอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะชื่ออะไรอันนี้อุปถากชื่อว่าคติการะนั่นแหละในหน้า672มีอัคราอุปถากชื่อว่า สมังคะระและคติการะคนที่เป็นอุปถากพระพุทธเจ้าประจําตําแหน่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ได้แปลว่าต้องรวยเสมอไปนะแต่ว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคอยดูแลคอยเป็นห่วงคอยเป็นใ ย, ยลักษณะนั้นะนะถื อ, ถ, อถือกิจกิจของพระพุทธเจ้าถือเป็นหลักส่วนเรื่องของตัวเองแค่ครองชีพอยู่ได้ก็พอละนะส่วนที่เหลือก็แล้วอุปถามพระพุทธเจ้าต้องเป็นผ้านาคามีอย่างอนาถานี่เป็นอุปถักใช่ไหมบอกว่าเป็นเรื่องของอีกอ ก, กลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ใช่อุปถากคในลนนักษณะนี้นะเรียกอุปถากคคนละอย่างาพระองค์ตรัสเล่าต่อไปว่ามีมนบะนะสมัยนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโชติปาระโชติปาระคนนี้เป็นสหายของช่างหม้อชื่อว่าคติการะเป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะเป็นสหายที่รักหมายว่าแต่ละคนเนี่ยพอใจที่จะได้เห็นหน้าซึ่งกันและกัน คำว่าสหายเป็นที่รักก็คือไม่เบื่อที่จะคบหาสมาคมกันไม่เบื่อที่จะคุยกันเป็นต้นเรียกว่าเพื่อนรักเท่านั้นครั้งนั้นคติการะช่างหม้อผู้เป็นอนาคามีก็ไปเรียกโชติปาลมานุว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาลเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพาถันตสสมมาสัมผูเจ้าเพราะว่า การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีดีนะแต่ได้เห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นบุญแล้วไปเถอะเพื่อนไปหาพระผู้เถเจ้ากันอานน์เมื่อคติการะช่างโม่กล่าวอย่างนี้โชติปาระมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโลน้นั้นที่เราเห็นแล้วเรา มีประโยชน์ตรงไหนไปเห็นพระหัวโลนเขาเหมือ น, นกันก็ทีนี้ น, นะจากข้อความตรงนี้เนี่ยนะเขามีข้อความในมิลินทปัญหามิลินทปัญหาก็บอกว่าพระนาคเษนพระคุณเจ้านาคเซนนนะมีอยู่ในชาดกเรื่องหนึ่งนะว่าพญาช้างเนี่ยะจะฆ่านายพรานพอมองเห็นภากาสาวพัฒ ก็ทิ้งในพระไม่ยอมฆ่าในพรานเพราะเห็นแก่ผ้ากาสาวพัฒมีอย่างนี้ในพระไตรปิฎกใช่ไหมบอกใช่อีกที่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคติคติการะช่างหม้อพาเพื่อนเนี่ยที่เป็นมนุษย์โชติปาระไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลับด่าพระพุทธเจ้าส่งอีกประโยชน์อะไรไปเฝ้าสมณะลนเ อ, อเนี่ยนะผมว่า เดรัชฉานปกติก็โง่กว่ามนุษย์ใช่ไหมแต่ชาตินี้ก็ว่าเป็นมนุษย์ทำไมฉลาดที่เพื่อนชวนไปแล้วกลับต่อว่าตำหนิพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันขัดกันนะนะชี้แจงทีก็ใครอยากรู้ไปอ่านมิลินท์ปัญหาเอานะพระเจ้าพาพะพระเจ้ามิลินเนี่ยเขาตั้งมาเป็นปมเป็นปัญหาได้ ดูก่อนอนโนนแม้ครั้งที่สองคติการะช่างหม้ อ, อ ก, ก็กล่าวกระโชติปาระมานบว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สอง โชติปาละมานพก็บอกยาเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมมาศรีรษจโรนนั้นอ่ะที่เราเห็นแล้วๆมีประโยชน์อะไรไปเห็นพระหัวโลนว้นมาถ้าคิดแบบคดอะไรนะสิงขาละกะมานพเขาบอกโอ้ยไปทำไมถ้าเราไปเจอท่านนะก็ต้องคลุกเข่าแล้วก็กราบคุกเข่าก็เจ็บเขา่าก้มกราบก็ปวดหลังอ่ะนะถ้าหากว่าต้องเจอหน้ากันเราก็ต้องถวายอาหารแก่ท่านเปลืองโดยใช่เหตุไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปหาพระากางัน นะเขาก็มีสมัยพุทธกาลคนก็คิดอย่างนี้นะก็ะตีว่าเป็นมีพ่อแม่ฉลาดตื่นเช้ามาสอนให้ว่าทิศในที่สุดก็ได้ดีนะก็ ก, ก็เรียกว่ามีเพื่อนเป็นบัณฑิตเขาก็แก้ไขให้ได้จนถึงที่สุดนั่นแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าหากว่ามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดแต่ไม่มีบัณฑิตคอยชี้นําตักเตือนก็มไปไกลเลยเรียกว่ายิ่งไปไกลไปส่งเลยว่างั้นทีนี้ สรุปว่าชวนครั้งที่หนึ่งก็ปฏิเสธชวนครั้งที่สองก็ปฏิเสธชวนครั้งที่สก็ถูกปฏิเสธทีนี้คติการะก็ความที่เห็นคือถ้าพูดแบบชาวบ้านเราก็บอกว่าคติการะเห็นหน่วยก้านของเพื่อนเนี่ยนะถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาต้องเลื่อมใสแน่นอนเพราะคนเนี่ยฉลาดมากแต่ที่เขาไม่เลื่อมใสเพราะเขาไม่ได้เห็นใช้วิธีอย่างไรนะจะชวนให้เขาไปเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเขาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วหมดภาระของเราก็เลยเอ๊ทาไงดี เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราไปอาบน้ํากันดีกว่าเสร็จแล้วมาถืออ่ะนะถ้าอย่างนั้นเรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเนี่ยนะเวลาไปอาบน้ําในแม่น้ําอาบน้ํากันเถอะเอออย่างนี้รับคําชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปอ่ะชวนไปอาบน้ําไปอ่ะนะเตรียมเครื่องซักเครื่องฟอกหาแฟบสบู่อันนี้เอาไปได้ไปอาบน้ําไปแต่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปบางว่าเอาไปเที่ยวทะเลไหมบอกไปฟังทำใบ ไ, ไม้เอาไว้ก่อนเนี่ยนะคล้ายๆเนี่ย ดูก่อนอานอน์ครั้งนั้นคติการะช่างมอและโชติปาระมานพถือเอาเครื่องสํารับเนี่ยนะเอาไว้สีตัวเวลาอาบน้ำไปยังแม่น้ําเพื่ออาบน้ําครั้งนั้นแลคติการะช่างมอก็เรียกโชติปาระมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาระสถานที่นี้เนี่ยนะที่เราอาบน้าเนี่ยไม่ห่างไกลจากอาราม ไม่ห่างจากวัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพผ้าฐันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่มาเถิดเพื่อนโชติปาลเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพผ้าฐันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพผ้าฐันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีอนนะก็ถูกปฏิเสธอีก นะบอกว่าอย่าเลยเพื่อนคติการาจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมมาศรีรษจโลนนั้นที่เราได้เห็นแล้วเล่าไปเห็นพระหัวโลนมีประโยชน์อะไรนะก็ถูกปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สชวนตอนแรก3ครั้งก็ถูกปฏิเสธมาอาบน้ำขณะระหว่างที่อาบน้ําชวนอีกก็ปฏิเสธอีก3ครั้งโอ้ยถ้าของมาถ้าเป็นของมานะเลิกชวนกนะับครั้งแรกแล้วงั้นไม่ไปก็ไม่ไปสิเห็นงอเลยอะไรงี้ยไง ของเราประเภทกลุ่มนั้นนะแต่ว่าคนสําหรับคนที่เป็นมิตรกันเป็นกาลยาณมิตรกันเนี่ยนะหวังดีต่อการปรารถนาดีต่อการรู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระเนี่ยนะก็ถึงว่าไม่ยอมไปวันนี้วันหลังก็ต้องยอมให้ไปเคยเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถามว่าเราส่งลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยลูกมันอยากไปเรียนนักอย่างไงหนังสือแต่ไม่นะก็เคี่ยวทั้งเคี่ยวทั้งเข็นไปเธอเดี๋ยวในที่สุดก็ไปเองอ่ะไม่ยอมขาโรงเรียนด้วยซ้ําไปแต่ตอนแรกๆ ก, ก็ไม่ยอมไป ทำไมทำไมเราจึงเขี้ยวเข็นให้เข้าไปเพราะสิ่งนั้นดีสําหรับเขาสิ่งนั้นมีประโยชน์สําหรับเขาในอนาคตสําหรับนี้ก็เหมือนกันในฐ า, านะของคติการะช่างม่อผู้เป็นอนาคามีเห็นเพื่อนผู้สั่งสมบุญมาดีเนี่ยนะันถ้าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาจะได้ดีเพราะฉะนั้นไม่เบื่อหน่ายที่จะชักชวนอย่า ง, งั้นเรียกว่าชวนครั้งที่หนึ่งไม่ไปเอาไปอาบน้ำเอาไปก็ไ่ชวนต่อไปอีกเนี่ยนะ เสร็จแล้วดูก่อนอนนนคติการะช่างหมอก็จับโชติปาระมานบที่ชายพกจับที่ชายพกก็คือแถวแถวอะไรนะหางกระเบนอะไรแถวแถวนั้นน่ะแต่จับแถวนั้นเสร็จแล้วบอกเพื่อนตรงนี้เนี่ยไม่ห่างจากวัดนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะก็ถูกปฏิเสธอีกอ น, นะบอกว่านะแก้มือจับให้ปล่อยชายพกเสร็จแล้วก็บอกอ น, นะว่าจับจะ จ, จูงไปปราณนั้นเถอะบอกไม่ไป เสร็จแล้วคติการะช่างม่อก็จับโชติปาละมานพที่อาบน้าดำเกล้าแล้วว่าสะผมเสร็จแล้วเนี่ยนะก็กล่าวว่าเพื่อนที่นี่ไม่ไกลจากสำนักของพระผู้มีพระภาคนะก็บอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะก็คือจับจับตัวเลยนะเสร็จแล้วครั้งที่นี่ต่อไปบอกว่าขออภัยตรงนี้เนี่ยจับจับที่ผมเลยนะจับผมเลยครั้งแรกจับจับอะไรนะจับภายผ้า ชวนแล้วหกครั้งก็ไม่ไปจับชายผ้าไม่ไปนี้จับหัวดึงไปเลยกันนี่แทบจะจูงไปเลยนะจับหิ้วไปเลยงดึงหัวไปเลยบอกว่าไปเหอะไปฟ้อพระพุทธเจ้าก็ถือกันว่าเป็นความดีโชติปาระมานพเนี่ยโกรธไมเพอเพื่อนจับหัวเลยไงก็เลยคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาหนอคติการะช่างหม่อผู้มีชาติต่ำวันน่าเคร่งมากนะโบนนะอินเดียนี่แคร่งมากเลยเรื่องวั น, นเนี่ยนะ แล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาาถือกันวันนั้นเาดูกันตรงไหนก็บอกสายสะพายเขาแบบนั้นเขามีสายสะพายเป็นเป็นพวกสายสินเน่ยนะคล้ายๆกับสายสินเขาจะมีว่าเนี่ยใช้ได้กี่เส้นแล้วกี่ว่กี่ชั้นกี่เกรดอะไรเนี่ยเขานับกันที่ตรงนั้นแล้วสูงของพระไม่แน่พระมีรัตศมีเป็นร้อยเส้นอะไรเงนะบางองค์ก็ไปใช้รัตศมีนี่ไงบอกวันนั้นสูงกว่าใครอีกแบั้นเสร็จแล้วพวกโชติปารมานพเนี่ยนะก็เลยคิดว่าอัศจริงๆเลยนะไม่เคยมี ขนาดเขาเนี่ชาติตระกูลต่ำมาจับที่ผมเราที่กําลังอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะไปในที่นี้เห็นจะเป็นการไปไม่เล็กน้อยโอ้หนี่เรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะเออไปก็ไปก็เลยบอกว่าเพื่อนคติการะการที่เพื่อนทําความพยายามชักชวนด้วยวาจาจับชายพกเลยจะไปถึงจับผม เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเท่านั้นหรือแค่ชวนไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเท่านั้นแหละเพื่อนจริงเช่นนั้นเพื่อนการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยเป็นความดีมันดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่าการเห็นเพราะเป็นทัศนานุตริยะเนี่ยนะโชติปาลมาน ก, ก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นปล่อยเราจะไป น, นะแล้ว ก, ก็ชวนมาหลายครั้งแล้วไปก็ไปครั้งนั้นคติการะช่างม้อและโชติปาระมานบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่ประทับแล้วคติการะช่างหม้อก็ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ส่วนโชติปาลมานพได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคติการะในฐานะสาวกใช่ไหมเป็นอนาคามีไปถึงก็กราบพระพุทธเจ้ากราบเสร็จแล้วก็นั่งเข้าไปถึงก็คุยกันหน่อยนะยืนคุยเป็นธรรมเนียมเสร็จแล้วก็นั่ง คติการะช่างม้อนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคพนาวกัคษาปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้โชติปาลมานพปิยะสหายเพื่อนอันเป็นสหายที่รักของข้าพระผู้เจ้าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดนะบอกเพื่อนรักกันมากนะช่วยแสดงธรรมให้เขาฟังหน่อยดูก่อนอานอนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพาฏฐานตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าทรงยังคติการะช่างหม้อและโชติปาระมานลบให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยทำมีกระถาวิธีแสดงที่พระองค์แสดงก็ยกตัวอย่างเช่นมาดูก่อนโชติปาระตัวท่านไม่ใช่สัตว์ผู้ยังลงสู่ฐานะอันต่ำทรามตัวท่านเนีไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิบัติเพื่อความเลวร้ายนะ แต่ท่านปรารถนาสัพพัญญุตยานยังลงณมหาโพธิบาลังธรรมดาคนเช่นท่านไม่ควรจะอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยนะนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าโชติปาระมานพเรานี้บำเพ็ญบารมีสิบประการตรัสรู้สัพพัญญุตยานมีภิกษุ สองหมืนเวทล้อมเที่ยวไปในโลกด้วยประการใดแม้ตัวท่านก็จงบำเพ็ญบารมี10บประการแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานมีหมู่สมณะเป็นบริวารท่องเที่ยวไปในโลกด้วยประการเช่นเดียวอย่างนี้อย่างนั้นเถิดเราเห็นป่า น, นี้เนี่ยนะไม่สมควรที่จะต้องประมาทเราก็นฐานะพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ด้วยความประมาท ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตของโชติปาละมานพพอฟังอย่างนั้นก็ยังไงเห็นแจ้งสมาฐานอาฏฐานร่าเริงด้วยธรรมีกระทาเพลิดเพลินชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพาธันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทําประทักษิณเสร็จแล้วก็หลีกไป ครั้งนั้นโชติปาระมานพก็ได้ถามคติการมามนบคติการช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะเมื่อท่านฟังธรรมะเช่นนี้อย่างนี้อยู่ได้ฟังดีๆอย่างนี้นะและเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตหรือหนอแมาโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังขนาดนี้มันยากนะเพื่อนนะเพื่อนไม่คิดจะบวชบ้างหรือไง เพื่อนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ซึ่งเป็นคนตาบอดแก่แล้วไม่ใช่หรือท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเรานี่พ่อแม่ตาบอดถ้าเราบวชแล้วใครจะดูแลพ่อแม่เราเพื่อนถ้าอย่างนั้นนะเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตที่จริงก็จะชวนเพื่อนบวชนั่นแหละนะแต่วิธีชวนนะไม่คิดจะบวชบ้างเลยเลยเนี่ยนะอ้าวก็รู้ว่าพ่อแม่แก่ตาบอดด้วยถ้าเราบวชแล้วใครจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราเอางั้นเดี๋ยวเราบวชคนเดียวก็ได้ ครั้งนั้นคติการะช่างหม่อและโชติปาระมานบกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่ถวายถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคติการะช่างหม้อแต่กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้โชติปาระมานบเป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงให้โชติปาลมานพนี้บวชเถิดดังนี้โชติปาลมานพนี้ได้บรรประชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อโชติปาลมานพนั้นอุปสมบทแล้วไม่นานประมาณครึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทรับอยู่ณเพลลิขานิคมตามสมควรแก่ พุทธาพิรมแล้วก็เสด็จลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสีโดยลำดับไปจนถึงเมืองพาราณสีเนี่นะ